ยอดยิ่งเล่าประสบการณ์ขนวัวลุกจากป่าช้าผีดุย้อนไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วสมัยหนุ่มผมอยู่มัธยสัญหลังวัดทัศนารุ่นสุนทิการามหรือที่ชาวบ้านร้านช่องทั่วๆไปเรียกว่าวัดสะพานนั่นเองวัดนี้เคยได้ชื่อว่าผีดุขึ้นชื่อหรือชาไปถึงประตูน้ำสนามเป้ายันทุ่งพญาไทยถนนวิภาวดีหรือชื่อเดิมคือซุปเปอร์ไฮเวย์เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆตกค่า เรแทบจะไม่มีรถแลนให้เห็นเพราะยังเปลี่ยวเต็มทีใครอยู่ที่นั่นก็ถือว่าอยู่ชาญเมืองแล้วนอกจากขึ้นชื่อเลยช้าว่าผีดุเพราะเป็นวัดเก่าแก่บ้านเรือนยังไม่มีคับข้างเหมือนยุคต่อมายังมีคนเล่า ว, ว่าเคยเห็นเปลืที่วัดสะพานอีกต่างหากจากหมู่บ้านริมถนนราชปารถก็ไปถึงบ่าช้าจะมองเห็นหลุมศพละเกละกะเรียงรายกันเป็น10บสบหลุมมีป้ายเขียนชื่อสกุลเอาไว้ง่ายๆ ต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นร่มคลึ้มบรรยากาศแสนจะเยือกเย็นหน้าหวังเวงใจแค่ไหนก็คงจะพอนึกกันออกนะครับมีคนเห็นเปรตเดินยุ่งเย่ยงมาจาบป่าช้านั่นแหละเขาว่าได้ยินเสียงหมาหอนเยือกเย็นหน้าขนลุกไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันเป็นผีแน่ๆไม่งั้นจะโกงคอหอนไปหาสวรรค์วิมานอะไรขนาที่เดินจ้ำอ้าวจะกลับบ้านตอนดึกก็ต้องชะ ง, งักกึกด้วยความสงสัยอะไรบางอย่างเสียงกรีดแหลม เสียงแหลมเล็กบาดหูฟังเผืนๆ เ, เหมือนใครเป่านกหวีดมาจากที่สูงๆเลยเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็ไม่เห็นอะไรจนกระทั่งเสียงบาดใจนั้นนังขึ้นอีกพอเงยหน้าขึ้นไปมองก็แตบช็อกในบันดนอามนุษย์รูปร่างสูงลิว้วเหมือนต้นตาลกำลังเดินย้งเย่ยงเข้ามามือทั้งสองใหญ่โตเหมือนใบลานร่างกายเปล่าเปลือยดาเกลียมแขนขารีบเล็ก มีแต่หนังหุ้มกระดูกตาแดงราวแสงไฟเห็นปากเล็กแหลมเท่ารูเข็มกำลังกรีดร้องเสียงหวีดแหลมบาทลึกไปถึงหัวใจอสุรกายผู้เคยก่อกรรมทําเข็นกับบุปก า, ารีทุบตีและด่าทอพ่อแม่เป็นบาปเวรสาหัาสเมื่อสิ้นใจจึงต้องเกิดมาเป็นเปรตชดใช้เวรกรรมได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเนิ่นนานจนกว่าจะสิ้นเวรผมก็ไ้กล่อมเพื่อนเกลอก็เจอดีเข้าเต็มรักเหมือนกัน ถึงแม้จะไม่เจอเปลดมาส่งเสียงกรีดวีดวิวขอส่วนบุญจนอกสันขวัญแขวนแต่ผีวัดสะพานก็เล่นงานเราจนไม่กล้าเที่ยวเตะกลางค่ำกลางคืนไปเนิ่นนานทีเดียวเชียวคืนนั้นเดือนเต็มดวงทอแสงสว่างนวลอย่างที่เขาเรียกว่าสว่างจนแทบจะจับมดได้นั่นแหละครับผมก็้าไกล่อมบ้านอยู่ใกล้ๆกันแถวท้ายป่าช้าแหม่ยังว่าจะพวกผมเลยแม้แต่คนที่อยู่บ้านจเจริญเจริญกลางเมืองแท้ ยังอยู่บ้านติดกับป่าช้าวัดโดนนี่นาะหลังจากตะลอนตะลอนไปกับเพื่อนฝูงอีกหลายคนเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านอากาศในเดือนธันวาเ ย, ย็นเยือกแสงจันทร์ส่องสว่างทําให้เราเดินเข้าซอยได้อย่างสบายอารมณ์ไอ้กล่อมถึงกับผิวปากเล่นอย่างคลึกคลื้นทันใดนั้นเสียงหมาหอนก็ดังแว่วมาตามสายลมร่างเตี้ยล่ำของไอก้กล่อมจะงักกึกร้องด่าว่าไม่รู้จะหอนหาหอกอะไรหรือว่าจะเห็นผีเสียงของมันขาดหาย เรามองสกตากันอย่างหวาดระแวงเอื้อมมือไปตบด้ามมีดทิสเอวถ้ามีใครแปลกหน้าที่ปองร้ายเราไม่รู้ตัวหรือว่าอาศัยทีเผลอก็ต้องเจอกันหน่อยละ่ะแต่เอ๊ะเปืืองหน้าเราก็คือหลุมศพระเกะระกะกับหวงซุยขาวโพลนอยู่ในแสงจันเสียงมาหอนก็เงียบหายสับพสิ่งดูสงบนิ่งเหมือนโลกนี้กลายเป็นโลกล้างโดยสิ้นเชิงไอ้ยิ่งเอ็องเห็นอะไรไหมโนนจุยจอกล่อม ก็กลายเป็นคนติดอ่างไปดื้อผมหันไม่มองก็เห็นมันยืนนิ่งอ้าปากค้างในตาลืมโพรงจ้องเขม็งไปที่อะไรบางอย่างเหมือนถูกสะกดทําให้ผมมองตามสายตาของมันไปอย่างงุนงงแล้วผมก็ได้เห็นคุณพระช่วยผมได้เห็นภาพที่ผมจะไม่มีวันลืมลงเลยจนกว่าจะสิ้นใจนั่นคือคนกลุ่มใหญ่กําลังนั่งล้อมวงอยู่บนหลุมศพข้างๆห่วงสุยแสงจันทร์ทําให้เราเห็นร่างดำทะมึนเหมือนตอตะโก แต่ในตาแดงกล่ำปานแสงไฟกำลังจ้องมองมางเแมงก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างเชื่องช้าร่างทั้งหมดยืดสูงขึ้นทุกทีทุกทีสูงขึ้นราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุดทมกลางม่านตาอันพร่าพรายเพนโวยไอ้กล่อมร้องจ้าผมกระโจนพวดนำหน้าแววเสียงเพื่อนวิ่งพลางด่าพลางล้มคลุกคลานทำกลางเสียงหมาเห่าเกลียวกล่าวกว่าจะถึงบ้านก็เหน็ดเหนื่อยแทบจะสิ้นใจ ไอ้กล่อมจับไข้หัวโกลนส่วนผมต้องให้พ่อพาไปลดน้ำมนต์นึกถึงแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นก็ยังขนหัวลุกอยู่เลยครับ